เอเชียชันเอนเตอร์เทนเมนต์ูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก เท่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยก็ อ, อะไรล่ะนางเองถามเรื่องอะไรกันนะเรือศิลาทำไมศิลาเสียใจมากเรื่องอะไรเสียใจเรื่องอะไรฮะเรื่องเรื่องคุณเทพเข้าไปแล้วแต่เพระเท่าอา้าวแล้วทําไมนางศิลาต้องร้องไห้ด้วยล่ะพ่อหนุ่มนั่นไม่ได้เป็นอะไรกับนางศิลามันสักหน่อยแลจะไปเสียใจทใําไมกันฉันอ่ะคือ ม, มันยังไง มันแค่เดียวๆ เ, เขามาพึ่งพาอาศัยเราเพื่อพักชีวิตแล้วเขาก็ไปเราจะมาอะไรอาวร อ, อะไรกันนักหนาเราพเพราะท่าไม่รู้เลยว่าศีลาเขาคิดยังไงกับคุณเทพคิดอะไรละ่ะคือว่าเขาเอาว่าไปคือว่าเขาอะไรนังศีลามันคิดยังไงศีลามันพึงใจกับคุณเทพเขาอ่ะ <laughs> เพราะทาไม่ตกใจเหรอทำไมข่าจะต้องตกใจด้วยเล่าฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกสูเอ้ย ơi. พอนุ่มเทพนะ่ะมาอยู่ที่นี่ได้เดียวเดียวเท่านั้นเองเขาจะมาทำให้นางศีลาพึงพอใจได้ยังไงล่ะที่ข่าเห็นมาโดยตลอดพวกมันสองคนเนี่ยต่างก็กัดกันทะเลาะกันอย่างกระหมูกระหมาแน่แล้วจะมาชอบใจอะไรกันได้เล่า มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเองอย่าเดาส่งเดชไปหน่อยเลยสเวยเ่ยฉันไม่ได้เดาส่งเดชนะพ่อเฒ่าไม่ได้เดาแล้วยังไงก็ศิลาสารภาพกับฉันเองฮะนะ เ, อเอ็งพูดว่างไงนะสเวยศิลาเขาบอกกับฉันเองว่าเขาพอใจคุณเทพก็จะทะเลาะ ก, กันก็นเหอะ แต่ในใจและลึกแล้วศีลาเขาพอใจกรุงเทพไม่น้อยเลยไม่อย่างนั้นศีลาเขาชูวิ่งร้องไห้เป็นคนเดียวทำไมเล่าศีลามันร้องไห้งั้นเหรอจ้าอะไรกันล่ะนี่พอเทพเขามาอยู่ที่นี่ได้แค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาหรอกนะว่านานหรือเร็วก็ดูอย่างฉันสิฉันอยู่กับศีลามาตั้งแต่จําความได้แล้วมั้งแต่ศีลาไม่เคยมองฉันในแง่ชู้สาวเลยอ่ะ เธอมองฉันเป็นแค่พี่ชายคนหนึ่งเธอเท่านั้นเองเองรู้ได้ไงว่านางศรีลามองเองแค่พี่ชายเท่านั้นก็นางศรีลามันบอกเองหรือไงเปล่าหรือจ๊ะก็นั่นไงในเมื่อมันไม่ได้บอกกับเองแล้วเองจะมาทำท่าหมดความหวังทำไมกันละ่ะก็ดีแล้วที่พอเทปไปฮะนางศรีลามันจะได้ไม่ต้องคิดมากแล้วก็หันมาสนิทสนมกับเองเหมือนเดิมมันไม่ดีหรือไง แต่ว่าแต่อะไรความรักมันท้ามกันไม่ได้นะเจ้าพระเท่าเอาเถอะนาะข้าเองนก็ไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรนักหนาะให้มากความนักเอาละ่ะถ้าสมมุติว่าพอเทพกับนางศรีลามันลงเอ่ยกันได้จริงๆแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะก็อยู่กับฉันผัวเมียงไงพระเท่าอยู่ที่ไหนที่นี่เอ็งคิดแล้วว่าพอเทพเขาอยากจะอยู่ที่นี่ฮะมันมีกิจการอยู่บางเกากนู่นน่ะ แล้วมันจะทิ้งกิจการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่บางกอกเพื่อมาอยู่กับสาวชาวดอยแม่เสลียงคนหนึ่งเนี่ยน่ะเหรอฮะสาวชาวดอยอย่างนงางศรีลามันจะมีค่าถึงเพียงนั้นเฉลมิมฮะพระเท้าศ<ะ>รีลานะ่ะเป็นสาวดอยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะสมควรได้รับการดูแลอย่างทนุถนอมหนุ่มบางกอกเขาคิดไม่เหมือนเอ็งคิดลอกสูเอ้ย ơi. เอ็งเห็นนงางศรีลานี่ดังดอกฟ้า แต่พอเทศหนุ่มบางกอกคนนั้นอาจจะเห็นหนางศีลามันแข่ดอกไม้ริมถนนริมทางก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคนในเมืองไว้ใจไม่ได้อย่างนั้นหรือพ่อท้าไม่ใช่ไว้ใจไม่ได้แต่คนเมืองมีโอกาสเลือกมากกว่าได้นะสังคมตรงนั้นหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีรสนิยมมากรักไม่เหมือนชาดวดอยอย่างเราๆอ่นะซึ่งมีรสนิยมรักเดียวใจเดียวบอกตามตรง ข้าเองก็หวั่นใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถ้าพอนุ่มนั่นกับนางศรีลามันลงเอยกันได้จริงๆแล้วก็ลูกข้าอาจจะต้องทําใจถ้าพอนุ่มนั่นคิดจะมีคนที่สองคนที่สามติดตามมาอีกอะ่ะคงไม่อย่างนั้นหรอกพ่อเท่าไม่รู้ละ่ะยังไงข้าก็ไม่ค่อยจะไว้ใจคนในเมืองมากนักหรอกยังไงซะชาวดอยอย่างเราเานี่แล้วว่าที่จริงใจที่สุดแล้วละ่ะเอานะ่าเองไม่ต้องคิดมาก ข้าจะให้เอ็งแต่งงานกับลูกสาวขา้าอะไรนะพ่อเท่าพ่อเท่าพูดอะไรอ่ะเอ็งได้ยินไม่ผิดหรอกสุเวยังไงซะเอ็งกับนางศีลาต้องลงเอยกันเพราะพวกเอ็งนะ่ะเป็นชาวดอยแม่เสลียง เ, เหมือนกันพ่อเท่าสบายใจได้แล้วฮะฉันนะ่ะขอบคุณพ่อเท่ามากนะสบายใจแล้วนะแต่ว่าเออทำไม ศีลาในเซยพระเท่าไม่ต้องห่วงข้าจะพูดกับลูกข่าเองเองไปอุ่นกับข้าวเถอะปเดี๋ยวจะได้กินข้าวพร้อมกันจะพระเท่า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 ใจมันนาหลายปีไม่กล้าใกล้เจอสักทีเจอกี่ครั้งก็ยังเป็นอยู่เช่นเคยคุยกับตัวเองทำไมต้องกลัวเจอที่ไรใจมันเต้นรัวทั้งที่บอกกับตัวเอง 嗨嗨。 ความทุกข์ใจัทั ท, ที่ใจของเขารักกันราเป็นความสวยงามที่อคนมีฝันแลนแล้ววันหนึ่งกลับพังทะลายมันคือของั จะฝาหรือคือคำสาคืออยาตนช่ำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคือ เช่นไรเร่องคงไม่รู้ไม่เคยถูกใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส้สูทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจตราวระทมลา ทุกท yeah, ุกอย่างไม่ลืม หรือคือคำสาบคือยาดฝนชำเย็นรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่ไหมที่วาทรอยอยังได้คือความรักที่ไหม เป็นเช่นไรเร่องคงไม่รู้มิเคยกู้ใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ ส, สร้างทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ คงร้าวรายทำลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือเลยลายหมดุกอย่าง เมื่อวันนี้มีอีกคนเข้ามาชีวิตก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเนบหนาวนั้นหายไปอบอุ่นใจก เ, เธอเธอคือคนที่ฉันต้องการเธอคือที่สอ ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ที่เข้ามาโดยไม่ได้ให้ซุ่มให้เสียงเลยทําเอ็งตกใจไม่เป็นไรเลยเจ้าพ่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเสียใจที่พอเทปเขาไปแล้วนหน่อยเหรอเออคือทําไมต้องเสียใจด้วยละ่ะหรือว่าเอ็งแอบรักพอเทปเขาแล้วอย่างนั้นหรือไงพ่อบอกมาตามความเป็นจริงนะ่ะนงางศรีลาเอ็งรักพอเทปเขาแล้วเชงไหม พ่อทำไมาถึงถามเฉันแบบนี้ล่ะแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะคือว่าวังไงเออฉันไม่ได้รักคุณเทพสักหน่อยพ่ออะไรมาพูดน่ะตกลงว่าที่เสียใจไม่ใช่เพราะว่าพอเทเหตุไปจากที่นี่หรอกเหรอฉันไม่ได้รักเขาสักหน่อยแล้วเอ็งร้องไห้ทําไมฉันน้อยใจถึงหากแล้วน้อยใจจ้ะเอ็งน้อยใจเรื่องอะไรก็น้อยใจที่คุณเทพไปไม่ลามาไม่ไหวสิจ๊ะ ใครว่าล่ะเขาหนาลาข่าแล้วแล้วยังฝากขอบใจเองด้วยบอกว่าเขาจะต้องกลับมาที่นี่ให้ได้เขามีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากที่นี่เขารู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็ฝากขอโทษเองด้วยที่ไม่ได้ลํำล้าเองอ้าวแล้วทำไมพ่อไม่บอกฉันล่ะแล้วเอ็งจะให้ข่าบอกเอ็งตอนไหนล่ะ แค่เองได้ยินเสียงว่าพอเทปไปแล้วนี่เองก็วิ่งโลไปซะแล้วอ่ะเออคือว่าฉันเองเออรักใครชอบใครเนี่ยข้าไม่ห้ามเองหรอกนางศิลาเอ้ยยังไงจะพ่อแต่ข้าอยากให้เองมีสติคิดให้ดีดีคิดให้ไกลๆว่าความรักของเองเนี่ยกับใครอีกคนนั้นน่ะมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าลงเอ่ยกันแล้ว จะไปด้วยกันได้ไหมข้ายาให้เอ็งคิดให้ลึกๆไม่ใช่มองแค่ผิวเผินเข้าใจไหมลูกฉันเข้าใจจ้พ่ออืพ่อจืะคุณเทพเขาได้ที่อยู่เอาไว้หรือเปล่าอ่ะเปล่าอยากได้ที่อยู่ของพ่อเทพเขาไปทำไมล่ะก็เพื่อขินจดหมายไปคุยด้วยยังไงล่ะในฐานะคนเคยรู้จักกันก็ได้นี่เขาไม่ได้หอะไรไว้เลยว่าแบบนี้ก็เหมือนไปแล้วไปเลย คงไม่มีทางได้เจอกันอีกแล้วล่ะพ่อแต่มันสัญญาแล้วนะสัญญาอะไรจ๊ะก็สัญญาว่าจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไรล่ล่ะเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแบบนี้คงาไม่มาแน่นอนแล้วล่ะจ้ะพ่อเขาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเขาเหอะเราอย่าไปใส่ใจเขานักเลยปไปไปไกินข่าวกันเถอะเจ้าซูเอมันคงจะอุ่นกับข้าวเรียบร้อยแล้วละ่ะพ่อกินก่อนเถจ้ะอ่ะแล้วเองอ่ะฉันยังไม่หิวเลยไม่หิว จ้เอาเถอะหิวเมาาวื่อไหร่ก็หากินเองก่อแล้วกันนะเดี๋ยวจะเหลือ ก, กับข้าวไว้ให้เองจะพอ ขีม้ามาที่นี่เหรวป้าเนี่ยอ๋อไอ้มูซองไงพ่อไอ้มูซอลูกไอซ้ซำกอนแหรอเจ้าพ่อทำไมาที่นี่ทาไมชาวดอยไม่มีใครอยากจะสูงสิงกับพวกมันแล้วนไงพวกมันทําสิ่งผิดกฎหมายใครๆก็รู้กันถั่วทั้งนั้นแต่ตอนเนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะพ่อหมายความว่ามันกลับกลัวกลับใจแล้วงั้นเหรอจ<ะ>้าทั้งพ่อทั้งลูกหรือไงไอ้มูซอคนเดียวใช่เชื่อได้มากน้อยแค่ไหน เห็นว่าหาันมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะพ่ออา้าวงั้นแหละจ้ะเอ้ยถ้าทำได้มันก็ดีข้าก็ยินดีด้วยคนเลวกลับใจมาเป็นคนดีน่ะก็น่าให้กำลังใจอยู่หรอกฮะศีลาครับศีลาเฮ้ยไอ้หมูซออ้าวพอเท่าสวัสดีครับเอเอเวัดดีมาตะโกนบบกเวกอะไรกันลรอเว้ย ผมมาหาศรีลานะครับพ่อเท่ามาหาลูกสาวข้าก็ต้องขึ้นมาบนเรือนี้สิไม่ใช่แหกปากตะโกน ล, ลั่นทุ่งอยู่ข้างล่างอย่างงั้นอรัครับผมจะขึ้นไปบนเรือนเดี๋ยวนี้ละเออเ อ, อ, เ อ, อขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพ่อเท่าอนุญาตให้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาสออิกองมันกลับตัวกลับใจแล้วไม่ใช่เหรอใช่จ้ะพ่อเท่างั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนี่นาะแต่มันชอบศรีลานะพ่อเท่าอีกคนแล้วเลยนี่เ อ, อ้ยมันอะไรกันหรอวะเนี่ยฮะคือว่าเอาละเอาะ เราหนีนางศรีลามันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็น่าจะรู้นะพ่ะเท่าแล้วมันว่าง่าบังล่ะฉันก็ไม่เคยถามเหมือนกันน่ะแต่มั่นใจว่าศรีลาน่ะคงจะไม่บอกอะไรหรอกเออให้บนไดาอย่างงี้สิพ่อเท่าครับอ่าอ่านั่งนั่งนนั่งนันัมามามามามากินข้าวด้วยกันมาเออมันจะดีหรือครับดีสิหรือเอ็นว่าไงอ่ะเออไม่ไม่ว่าอะไรครับพ่อเท่าไม่ว่าก็มากินด้วยกันเลยนี่มาก็ได้ครับเออเอ้า ครูเว๋ยไอ้คดข่าวไอ้มันหน่อย